พระตรายปิฎกเล่มที่ส2องเทวทาวิต ก, กสูตรว่าด้วยวิตกสองประเภทสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจโตวันอารามของอนาทบินดิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อก่อนเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าใครเราควรจัดวิตกออกเป็นสองประเภทหมายถึงจัดวิตกฝ่ายอากุศลเป็นประเภทที่หนึ่งจัดวิตกฝ่ายากุศลเป็นประเภทที่สองภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้จัดกามาวิตกความตรึกในเรื่องการ พยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทการปองร้ายผู้อื่นและวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นประเภทที่หนึ่งและจัดเนกขมะวิตกความตรึกในเรื่องออกจากกิเลสอพยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องไม่ปองร้ายผู้อื่นและอวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องไม่เบียดเบียนผู้อื่น ข้อนี้ตั้งแต่มีเมตตาเป็นส่วนเบื้องต้นจนถึงปฐมฌานรวมจัดวิตกฝ่ายกุศลเป็นประเภทที่สองอกุศลละวิตกสามภิกษุทั้งหลายการมาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า กามวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่กามวิตกนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างกามวิตกก็ดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างกามาวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกามาวิตกก็ดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานกามาวิตก ก็ดับศูนย์ไปภิกษุทั้งหลายเรานั้นย่อมละบันเทาทำกรรมวิตกที่เกิดขึ้นบ่อยบ่อยให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายพยาบาทวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้วีหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า วิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่วิหิงสาวิตกนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างเป็นเหตุดับปัญญาเป็นส่วนแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นดังนั้นวิหิงสาวิตกก็ดับสูญไปเรานั้นย่อมละบัญเทา ทำวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นบ่อยๆให้หมดสิ้นไปภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในวิตกนั้นๆถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงกามวิตกมากเธอก็ละทิ้งเนคขมะวิตกกระทำแต่กามวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อกามวิตก ถาภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงพยาบาทวิตกมากเธอก็ละทิ้งอภยาบาทวิตกจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อพยาบาทวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิหิงสาวิตกมากเธอก็ละอวิหิงสาวิตกกระทำแต่วิหิงสาวิตกให้มากจิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตกคือความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่น ในศาสตร์สมัยเดือนท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่มีข้าวกล้าหนาแน่นเขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากที่นั้นๆกั้นไว้ห้ามไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่าการถูกจองจาการเสียทรัพย์การถูกติดเตียนเพราะโคทั้งหลายเป็นต้นเหตุ แม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันได้เห็นโทษความเลวทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายและเห็นอานิสง์ในเนคขมมะอันเป็นฝ่ายป่องแพ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายกุศลวิตกสามภิกษุทั้งหลายเนคขมมะวิตกความตรึกในเรื่องออกจากกิเลส หรืออภยาบาศวิตกความตรึกในเรื่องไม่ปองร้ายผู้อื่นหรืออวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องไม่เบียดเบียนผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่าเนคขมะวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วหรืออภยาบาทวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว หรืออวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้วแต่วิตกนั้นๆไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเป็นเหตุทำปัญญาให้เจริญไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานถ้าเราจะพึงตรึกตรองถึงเนฆามะวิตกหรืออพยาบาตวิตก หรืออวิหิงสาวิตกนั้นพิจารณาอยู่ตลอดคืนพิจารณาอยู่ตลอดวันหรือทั้งคืนทั้งวันเราก็จะมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากวิตกนั้นๆได้เลยแต่เมื่อเราตรกตรองนานเกินไปร่างกายก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อร่างกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็ปุ้งร่านเมื่อจิตปุ้งร่านจิตก็ห่างจากสมาธิ ภิกษุทั้งหลายเรานั้นตั้งจิตไว้ในภายในทำให้สงบทำให้เกิดสมาธิประคองไว้ด้วยดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราปรารถนาไว้ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งซ่านอีกเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดๆมากเธอก็มีใจน้อมไปในวิตกนั้นๆมาก ถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงเนคขมมะวิตกมากเธอก็จะละ ก, กามวิตกได้ทมเนคขมมะวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อเนคขมมะวิตกถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงอภยบาตรวิตกมากเธอก็จะละอภยบาตรวิตกได้จิตของเธอนั้นก็จะน้ อ, ไอนมไปเพื่ออภยาบาตรวิตกถ้าภิกษุ ยิ่งตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกมากเธอก็จะละวิหิงสาวิตกได้ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มากจิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่ออวิหิงสาวิตกในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนคนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านทุกๆุกด้านเมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แจ้ง จะต้องทำสติอยู่เสมอว่านั้นอูงโคแม้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันต้องทำสติอยู่เสมอว่าเหล่านี้เป็นธรรมะคือกุศลวิตกภิกษุทั้งหลายเราได้ปรารบความเพียรมีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วมีสติตั้งมั่นไม่เลอะเลือนมีกายสงบ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 ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติละสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปีติจางคลายไปเรามีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยะฌานที่พระอริยทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขละทุกได้ พรอบโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเราบรรลุจตุกตถฌ า, านที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พราบอุเบกขาอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างนี้ เรานั้นน้อมจิตไปเพื่อปุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติตลอดสังวัตกับตลอดวิวัตกับบ้างเรานั้นระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เราบรรลุวิชาที่หนึ่งนี้ในปฐมยามแห่งราตรีกําจัดอวิชาได้แล้ววิชาก็เกิดขึ้นกําจัดความมืดได้แล้ว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 ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้เรานั้นได้น้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยญ า, านรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุ ท, ทยัยนี้ทุกขะนิโรดนี้ทุกขะนิโรธาขาไม่มีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุ ท, ทยัย นีิอาสวะนิโรธนี้อาสวะนิโรธคายมิหนีปฏิปทาเมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้จิตจึงหลุดพ้นจากกามาสวะบ้างจิตจึงหลุดพ้นจากพวารสวะบ้างจิตจึงหลุดพ้นจากอาวิชชาสวะบ้างเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้ว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 ทรงชี้ทางผิดและทางถูกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนมีเนื้อฝูงใหญ่ผากกันเข้าไปอาศัยบึงใหญ่ในป่าดงมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาความพินาศไม่ต้องการจะเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาปิดทางที่ปลอดภยัยมีความสวัสดีเป็นไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้น เปิดทางที่ไม่สะดวกผูกเนื้อต่อตัวผู้ซุ่มนางเนื้อต่อไว้เมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมาตายเหลือจํานวนน้อยแต่ยังมีชายคนหนึ่งผู้ปรารถนาประโยชน์ต้องการจะเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยแก่ฝูงเนื้อนั้นเขาเปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีเป็นไปได้ตามชอบใจของฝูงเนื้อนั้น ทางที่ไม่สะดวกกําจัดเนื้อต่อตัวผู้ทำลายนางเนื้อต่อแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้สมัยต่อมาเนื้อฝูงใหญ่ก็ต้องมีจํานวนมากขึ้นขับข้างล้นหลามแม้ฉันใดข้ออุปมาณนี้ก็ฉันนั้นเราได้ทำขึ้นก็เพื่อจะให้เธอทั้งหลายรู้ความหมายของเนื้อความในอุปมาณนั้น มีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าบึงใหญ่นี้เป็นชื่อของกามทั้งหลายคำว่าเนื้อฝูงใหญ่นี้เป็นชื่อของหมูสัตว์ทั้งหลายคำว่าชายผู้ปรารถนาความที่นาจไม่ต้องการจะเกื้อกูลไม่ประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของมารใจบาปคำว่าทางที่ไม่สะดวกนี้ เป็นชื่อของมิจฉามากักคือทางผิดมีองค์แปดคือ 1. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิด 2. มิจฉาสังกับปะดำรงผิด 3. มิจฉาวาจาเจรจาผิด 4. มิจฉากรรมันตะกระทำผิด 5. มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด มิจฉาวายามะพยายามผิด 7. มิจฉาสติระลึกผิด 8. มิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดคำว่าเนื้อต่อตัวผู้นี้เป็นชื่อแห่งความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินคำว่านางเนื้อต่อนี้เป็นชื่อของอวิชชาคำว่าชายผู้ปรารถนาประโยชน์ ต้องการจะเกื้อกูลประสงค์ความปลอดภัยนี้เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีเป็นไปได้ตามชอบใจนี้เป็นชื่อของอริยมรรมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะ สัมมาสติและสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายด้วยประการดังกล่าวมาแล้วนี้เราได้เปิดทางที่ปลอดภัยมีความสวัสดีที่พวกเธอควรดำเนินไปได้ตามใจชอบให้แล้วและปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วยกำจัดเนื้อต่อตัวผู้ให้แล้วและทําลายนางเนื้อต่อให้แล้ว กิจได้ที่ศัสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลเ อ, อื้อเฟื้ออาศัยความอนุเคราะห์จะพึงกระทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นตถาคตก็ได้กระทําแก่เธอทั้งหลายแล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความเดือดร้อนในภายหลังนี้เป็นคำพร่ำสอนของตถาคต สำหรับเธอทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพาสิบนี้แล้วภิกษกุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบเทวทาวิตตกกสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง